บันเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริสัตว์ผู้มีจิตฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน5เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรม การที่ท่านทั้งหลายได้มาที่วัดกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำบุญให้ทานเพื่อรักษาศีลสั่งเทศน์ธรรมไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาใจใจถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ มีประโยชน์พาเราไปที่ไหนมาไหนได้แต่รถยนต์ก็ต้องมีการดูแลรักษาเพราะถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษารถยนต์ก็จะต้องเกิดเหตุขัดข้องเกิดการชำรุดเกิดความเสียหายแล้วก็จะไม่สามารถนาพาเราไปตามสถานที่ต่างๆได้เราจึงต้องนำรถยนต์เข้าสู่สถานีบริการ อยู่เสมอเพื่อเติมน้ำมันเติมลมเติมน้ําเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่ชํารุดทุดทรงซ่อมแซมรักษาสิ่งต่างๆส่วนต่างๆของรถยนต์ที่จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนมีการซ่อมเพื่อเชื่อได้ทําให้รถยนต์คันนั้นสามารถวิ่งไปไหนมาได้ได้ตามปกติ ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่ต้องต้องมีการดูแลรักษาเพื่อจะได้นำพาชีวิตของเราไปได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพาเราไปสู่ความสุขความเจริญวัดจึงเป็นเหมือนกับสถานีบริการเป็นเหมือนกับอู่ซ่อมลงซ่อมใจถ้าเรานำใจเราเข้าสู่วัดอย่างสม่าเสมอ และได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างถูกต้องใจของเราก็จะมีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าเราไม่พาใจเข้าสู่วัดเข้าสู่พระศาสนาปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติตามก็เท่ากับการไม่ได้ดูแลรักษาใจของเราให้ อยู่อย่างเป็นปกติอยู่อย่างสมบน้่มเย็นเป็นสุขใจของเราก็จะกลายเป็นกองไฟกองเพลิงขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่รู้จักจบจากสิน้นดังที่เราสามารถเห็นได้ในบุคคลที่ไม่มีศาสนาบุคคลที่ไม่เข้าวัดเข้าวาเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่ง เพราะว่าชีวิตของเขานั้นจะต้องประสบแต่เรื่องราวปัญหาต่างๆแล้วก็ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาไม่รู้จักวิธีทาใจของเขาให้หลุดพ้นจากเรื่องราวต่างๆที่มารุมเ้าจิตใจของเขาได้แล้วในที่สุดเมื่อความทุกข์นั้นมีปริมาณที่มากจนที่เขาทนไม่ได้ เขาก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องคือการทําลายชีวิตของตอนเองเพราะคิดว่าเมื่อจิตใจมีความทุกข์มากอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรคิดเสียว่าถ้าได้ทําลายชีวิตแล้วปัญหาต่างๆถ้าที่มารุมเร้าจิตใจก็จะหมดไปด้วยแต่ความจริงแล้วเวลาที่คนเราทําลายชีวิตนั้น ยังไม่สามารถทำลายความทุกข์ความรูมร้อนของจิตใจไปได้เพราะว่าความทุกข์ความรูมร้อนของใจนั้นมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กายเวลาร่างกายตายไปแล้วใจนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจติดตามต่อไปเอง เป็นผลส่งผลให้ไปเกิดในที่ไม่ดีเช่นในนรกเป็นต้นเพราะความรุ่มร้อนของจิตใจนี้นั่นเองดังนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดำเนินไปได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเราก็ต้องให้ความสําคัญกับใจต้องให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาใจเพราะใจนี้เป็น ตัวสำคัญที่สุดในโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับใจดูแลอะไรก็ไม่ไม่ได้ดีเท่ากับการดูแลรักษาใจเพราะถ้าเราดูแลรักษาใจด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจเราจะมีความสุขมีความสงบร่มเย็นแต่ถ้าเราดูแลสิ่งอื่นเราจะแทนที่เราจะมีความสุข เรากับจะมีความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราคอยดูแลรักษานั้นย่อมไม่อยู่ในการควบคุมดูแลรักษาของเราไปได้ตลอดเวลาที่เกิดการชารุดทุดโซ่เกิดการเสื่อมสลายไปถ้าใจเราไม่ฉลาดไม่มีธรรมะคอยดูแลรักษาไว้ใจของเราก็จะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจ คนที่มีความเศร้าโศกเสียใจในเวลาที่ต้องพัด่ากจากสิ่งต่างๆไปนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักวิธีการรักษาใจของเขานั่นเอง mm hmm. เขาหมแติดไปรักษาสิ่งต่างๆภายนอกเช่นวัตถุสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆที่เขารักเขาเขาเขาปรารถนาดีเขามีความ ใกล้ชิดสนิจสนมเขาก็จะมีความหวงใยเป็นปกติเป็นธรรมดาเวลาบุคคลนั้นเป็นอะไรไปก็ต้องพยายามช่วยเหลือดูแลรักษาให้หายกลับมาเป็นปกติแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดูแลรักษาให้บุคคลนั้นกลับมาเป็นปกติได้บุคคลนั้นเกิดต้องถึงแก่ ชีวิตคือถึงแก่ความตายไปคนที่ดูแลรักษาก็จะต้องเกิดความเศร้าสูกเสียใจเพราะมัวแต่ไปดูแลผู้อื่นไม่ได้มาดูแลใจของตนพอใจของตนต้องรับผลกระทบจากสิ่งที่ใจไม่ปรารถนาใจก็รับ ก, กับสภาพนั้นไม่ได้ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา แต่ถ้าเป็นคนที่เคยเข้าวัดอยู่สม่ำเสมอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดูแลใจให้มากกว่าดูแลสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เราดูแลได้เพียงในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ในที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเขาจะต้องเป็นไปตามสภาพของเขาไม่มีใครไปสามารถหักห้ามหยุดยัง้ง ให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดความเสื่อมเกิดความสลายไปไม่ได้แต่เราสิ่งที่เราสามารถรักษาได้ก็คือใจของเราไม่ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเมื่อเกิดการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆไปถ้าเราคอยดูแลรักษาใจด้วยการสอนด้วยการเตือนสติอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราสอนใจเราอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วพยายามทําใจให้รับกับความเป็นจริงให้ได้เวลาเห็นอะไรได้อะไรมาก็ต้องทําความเข้าใจว่า สิ่งที่เราได้มาเรืองบุคคลที่เราได้มานี้มาก็เพื่อที่จะมาจากเรานั่นเองคือถ้าเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็ต้องจากเขาไปก่อนเพราะชีวิตของคนเราในโลกนี้อยู่กันไปไม่เกินร้อยปีก็ต้องมีการแตกดับมีการสลายไปนี่เป็นความจริงของโลกนี้ที่ทุกคนที่เกิดมาต้องปกศ ต้อเจอต้องประสบพบเห็นด้วยกันทุกคนแต่เนื่องจากว่าขาดการดูแลรักษาใจไม่ค่อยสนใจผบลมสั่งสอนใจให้รู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้มัวแต่ไปสแสวงหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติครอบครองแล้วก็เพลิดเพลินกับการครอบครองสมบัติเหล่านั้นจนกระทั่งลืมดูแลใจไปพอ วันดีคืนดีสมบัติเหล่านั้นที่สแสวงหามาได้เกิดการท้าทาจากกันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลรักษาใจเหล่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เห็นความสาคัญของใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลก เพราะถ้าเราสามารถรักษาใจของเราให้ดีได้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้ยิ่งกว่าใจที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยดีด้วยธรรมะแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลรักษาใจของเราด้วยธรรมะมัวแต่ไปดูแลสมบัติต่างๆถึงแม้ว่าสมบัติต่างๆในโลกนี้จะมีคุณค่ามากมายเพียงไร ตามสมมุตินิยมก็ตาม ส, สมบัติเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะมาระ ง, งับยับยั้งความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจไปได้เมื่อใจจะต้องไปประสบกับสิ่งที่ใจไม่ปรารถนาสิ่งที่ใจไม่ชอบนี่คือเรื่องของชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจ คือการดูแลรักษาใจและไม่มีที่ไหนที่จะเป็นสถานที่ที่ดูแลใจของเราได้ดีเท่ากับวัดวาอารามต่างๆเพราะเมื่อเราได้เข้าวัดแล้วเราก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งกับใจเพราะใจก็เป็นเหมือนกับผู้เดินทางในที่มืดจําต้องมีแสงสว่างจําต้องมีแผนที่ จังต้องมีผู้นำทางไปถึงจะสามารถเดินทางไปได้ด้วยความปลอดภัยด้วยความสุขด้วยความเจริญนี่เหตุเป็นเหตุที่เราจะต้องเข้าวัดเข้าหาพระศาสนาเข้าหาพระธรรมคาสอนหาพระพุทธเจ้าหาพระอริยสงสาวกเพราะท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่มีแสงสว่าง ท่านเป็นผู้ที่ได้ไปมาแล้วบ น, บนเส้นทางของชีวิตที่พวกเรากำลังดาเนินอยู่ท่านรู้ว่าเพื่อไปถึงจุดไหนควรจะทำอย่างไรเช่นเมื่อมาถึงสีแยกควรจะเลี้ยวซ้ายควรจะเลี้ยวขวาหรือจะตรงไปท่านจะรู้ว่าทิศทางไหนควรจะไปไปแล้วปลอดภัยไปแล้วพาให้เราไปถึง จุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเพราะพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครอยากที่จะมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นความทุกข์ม้แต่เพียงนิดเดียวพวกเราไม่อยากจะมีกันแต่ทำไมพวกเรายังรู้สึกว่ายังต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเราเป็นเหมือนกับคนขับรถที่ไม่รู้จักทางนั่นเอง พอมาถึงสี่แยกก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีก็เลยต้องเสี่ยงดูไปทางซ้ายบ้างไปทางขวาบ้างตรงไปบ้างซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะไปผิดทางเพราะทางที่ผิดนี้มันมักจะมีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจเป็นสิ่งที่ชอบหลอกล่อให้เราไปในทางที่ผิดกัน โลกเหล่านี้จึงมักจะมีคนที่มีแต่ความหลงผิดเดินทางในทางที่ผิดทั้งๆที่มีคนคอยเตือนคนคอยบอกอยู่แต่ก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังเพราะนี่เป็นธรรมชาติของจิตที่มีความมืดบอดของจิตที่มีความหลงมักจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจักเป็นดอกบัวถึงแม้จะมีผู้ที่รู้จริงเห็นจริงมาประกาศสั่งสอนพวกเราว่า อะไรดีอะไรชั่วเราก็ยังไม่เข้าชอบไปในทางที่ดีกันแต่เราชอบไปในทางที่ไม่ดีกันเช่นศาสนาสอนอยู่เสมอว่าอบายมุขนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียให้กับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ไม่ไว้ที่จะมีคนชอบไปในทางนั้นนอกจาก ไปแล้วยังชอบส่งเสริมชักจูงให้ผู้อื่นไปด้วยเช่นในสังคมของคนไทยเราทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเมืองพุทธแท้ๆ แ, แต่ก็ยังมีคนพยายามที่จะขอให้เปิดบ่อนการพนันอย่างเสรีเปิดสถานที่บันเทิงให้คนเข้าไปกินเหล้าเมายาประพฤติผิดประเวณีกันอย่างเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อมีเสียงเป็นคนที่พวกเราทั้งหลายเลือกเป็นตัวแทนของพวกเราเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ดูแลรักษาบ้านเมืองให้กับเราแต่เขาก็ยังมาทำในสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดว่าเขาจะกล้าทำคือพยายามที่จะต่ อ, อกฎหมายให้การเล่นการพนันนี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ให้ทุกคนเล่นการพนันกันเพราะการพนันนี้นำรายได้มาให้กับประเทศเขาเพียงมองแต่รายได้อย่างเดียวแต่เขาไม่มองถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับคนที่เล่นการพนันคนที่จะต้องหมดบ้านหมดช่องหมดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เกิดจากการเล่นการพนันนี้จะมีจานวนันมากน้อยเพียงไร เขามองไม่เห็นเขาเห็นแต่ตัวเลขเงินที่เขาควรจะได้เพราะเขาเสียดายที่เงินจะต้องไหลออกไปตามนอกประเทศเพราะคนที่ชอบเล่นการพนันจะนำเงินออกไปเล่นการพนันก็เลยคิดว่าให้เขาอยู่ในบ้านเราดีกว่าให้เขาเล่นในบ้านเราดีกว่าแต่เขาไม่คิดถึงว่าเมื่อการเล่นการพนันแล้วก็ต้องเป็นธรรมดาที่จต้องมีการเสีย เมื่อมีการเสียก็จะต้องหมดเนื้อหดตัวแล้วครอบครัวที่ต้องอาศัยเงินทองก็จะลำบากลำบนเพราะหัวหน้าครอบครัวไม่มีเงินทองที่จะมาดูแลสมาชิกของครอบครัวได้ผลเสียก็จะตามมาต่อสังคมเพราะคนที่เล่นเสียการขนาดแล้วก็อยากจะได้คืนก็ต้องไปหาทรัพย์ในทางที่ไม่ชอบ ไปโกหกหลอกลวงไปลักไปขโมยเป็นต้นเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้มาเล่นการพนันอีกเพื่อจะได้เอาเอาเงินที่เสียกลับคืนมาแต่แทนที่จะได้กลับคืนมากลับจะต้องเสียไปอีกเรื่อยๆเพราะนี่คือเป็นเรื่องของการพนันไม่มีใครได้ส่วนใหญ่จะมีแต่คนเสีย <c oughs> นี่ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าเป็นเพราะว่า คนเหล่านี้นั้นไม่เคยเข้าหาพระศาสนานั่นเองไม่ได้สนใจกับการดูแลรักษาใจใจนี้มีความหลงคอยผลักดันความอยากความต้องการในความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงคือต้องการความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผพิภัพฑต่างๆ แต่หารู้ได้ว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่เป็นเหมือนกับความสุขที่ได้จากการเสพยาเสพติดจะไม่เกิดความอิ่ม mm. จะก็ไม่เกิดความพอจะมีแต่ความเพลิดเพลินในขณะที่ได้เสพแต่หลังจากที่เสพไปแล้วก็จะต้องกลายเป็นทาตของสิ่งเหล่านั้นจําต้องมีสิ่งเหล่านั้นมาบารุงบาเลออยู่เสมอ mm. ถ้าเกิดขาด สิ่งเหล่านั้นไปก็จะต้องเกิดอาการทุรนทุรายกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงกับถึงกั บ, กบต้องมีความทุกข์อย่างมากมายเพราะได้เป็นหลงติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนั่นเองเพราะพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเหล่านั้นพยายามลดละตัดตั้หาความอยากในกลามทั้งหลายความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลประพะทั้งหลาย ว่าอย่าไปหลงติดอยู่กับความสุขแบบนี้เพราะความสุขแบบนี้นั้นเปรียบเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเวลาเวลาเห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดเรามักจะไม่เห็นเบ็ดเพราะว่ามันเหยื่อถูกเหยื่อนั้นหุ้มห่อตัวเบ็ดอยู่แต่หลังจากที่ไปตะคุบเหยื่อนั้นพุบเหยื่อนั้นเข้าไปในปากแล้วถึงจะรู้เมื่อเขาเมื่อเขาก็ตุกเส้น เส้นที่ผูกอยู่กับเบ็ดมันก็จะมาติดคอผู้ที่ไปพุบเหยื่อนั้นแล้วก็จะต้องกลายเป็นทาตของเบ็ดนั้นไปในที่สุดฉันใดความสุขที่เราได้จากการไปหารูปเสียงกลิ่นรสผูดเพรพะต่างๆมาก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเริ่มได้สัมผัสเราได้เสพแล้วเราก็จะเกิดความติดอกติดใจเราเคยออกไปเที่ยว เราก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกเราเคยมีความสุขกับคนนั้นคนนี้เราก็อยากจะมีความสุขกับคนนั้นคนนี้อีกแต่ไม่ช้าก็เร็วเนื่องจากโลกนี้เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนที่เขาเคยให้ความสุขเราสักวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แทนที่เขาจะยินดีอยู่กับเราให้ความสุขกับเราเขาก็แอบไปหาความสุขกับผู้อื่น อย่างนี้พอเราทราบเข้ามาทีหลังเราก็ต้องเกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาความสุขที่เราเคยได้รับจากบุคคลนั้นก็กลายกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเป็นไฟนรกขึ้นมาเพราะเรามีความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทและถ้าเราไม่รู้จักวิธีระ ง, งับไฟอันนั้นไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่เราต้องเสียใจ ตามมาอีกคือจะต้องไปฆ่าเขาเมื่อฆ่าเขาเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาฆ่าตัวเราเองเพราะเรากลัวที่จะต้องไปรับโทษต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่สนใจกับการดูแลรักษาใจไม่สนใจกับการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเพราะถ้าเราได้เข้าวัดแล้วฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้ยินคาสอนของพุทธเจ้า ที่สงสอนอยู่เสมอว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจของเราแล้วเราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขภายนอกเพียงแต่ทำใจของเราให้สงบเท่านั้นถ้าใจเราสงบแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มจะไม่หิวไม่กระหายกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธาต่างๆจะไม่อยากจะได้มีอะไรจะไม่อยากจะเป็นอะไรนี่แหละคือ ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราที่ไม่มีใครสามารถที่จะพรากจากเราไปได้แต่เรากลับไม่รู้กันเรากลับมัวไปหาความสุขภายนอกกันแล้วก็ต้องไปรุกเ์เข้ากับความทุกข์ที่ตามมาเพราะความสุขภายนอกนั้นมักจะเป็นความสุขชั่วขณะเวลาที่เราได้สัมผัสใหม่ๆเท่านั้น แต่หลังจากนั้นแล้วความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความชินชาไปเราเคยมีความสุขกับใครที่คนหนึ่งแต่เราอยู่กับเขาไปนางานเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับคนนั้นความรู้สึกที่มีความสุขในขณะที่ได้แรกที่แรกได้พบได้สัมผัสนั้นมันก็จะหมดไปแล้วถ้าเกิดการทะเลาะบอกแหวงกันขึ้นมาเกิดความมีความเห็นไม่ตรงกันขึ้นมาก็ยิ่งทําให้เกิด ทำความให้ความสุขเหล่านั้นหมดไปมีแต่ความไม่พอใจต่อกันละกันแต่ถ้าเราหันเข้ามาหาความสุขภายในใจของเราด้วยการทําใจของเราให้สงบด้วยวิธีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นสรงสอนให้ทําบุญให้ทานให้รักษาศีลให้ไหว้พระสวดมนต์ให้ปฏิบัติธรรมธรรจิตให้เป็นสมาธิ ทำจิตให้มีปัญญาให้รู้ว่าความจริงของความสุขนั้นอยู่ตรงไหนคือคอยเตือนสติเราอยู่เสมออย่าไปหลงหาความสุขกับสิ่งต่างๆภายนอกสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขสิ่งเหล่านั้นมีความทุกข์ซ่อนอยู่เพียงแต่รอเวลาให้มันปรากฏขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นระเบิดเวลาระเบิดเวลาเวลาที่มันยังไม่ระเบิดมันก็ดูดูก็สวยงามดู แต่ถ้าเวลามันระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันจะสร้างความพินาศให้กับคนที่เข้าไปอยู่อยู่ใกล้กับลูกระเบิดนั้น <c oughs> นี่คือปัญญา <c oughs> พระเจ้าทรงสอนให้เราเจริญปัญญาอยู่เสมอ <c oughs> คือให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นทุกมากทุกน้อยจะทุกช้าหรือทุกเร็วเท่านั้นเอง แต่มันจะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่คอยเตือนสติเราพอเรานึกอยากจะได้อะไรขึ้นมาเราก็จะคิดแต่ว่ามีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในสิ่งนั้นนนมีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นๆั้เช่นเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราเกิดความว้าเหว่เปล่าเปลี่ยวใจเราก็ต้องคิดขึ้นมาว่าถ้ามีเพื่อนสักคนหนึ่งมีสามีหรือมีภรรยาสักคนหนึ่ง ก็จะมีความสุขแล้วก็สามารถดับความว้าเหวต่าเปลี่ยวใจได้แต่เราจะไม่คิดว่าเมื่อเรามีสามีหรือมีภรรยาแล้วเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอีกคนหนึ่งถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันแล้วเกิดเรามีความเห็นไม่ตรงกันเกิดเราต้องทะเลาะกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือถ้าเราเลกกันแล้วมีความเห็นตรงกันอยู่เสมอแต่เวลาที่เขาไม่อยู่ให้เราเห็นหน้า เกิดเข้าไปไหนมาไหนแล้วไม่ได้กลับบ้านมาตามเวลาที่ที่เขาควรจะกลับเราก็จะต้องเกิดความวิตกขึ้นมา mm hmm. เกิดเพราะความห่วกใหญ่เพราะอยากจะให้เขากลับมาตามเวลานี่ก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่เป็นสิ่งที่จะติดตามมากับสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีความทุกข์ซ่อนเล้นอยู่และความทุกข์นี้ก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากใจของเราไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นนั่นเองถ้าเรามีธรรมะแล้วเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะอยู่อาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราฝึกหัด ทำจิตทําใจให้ยอมรับกับสภาพทั้งสองสภาพไม่ได้คืออยู่ก็รับได้ไม่อยู่ก็รับได้เท่านั้นแหละเราจรึงจะสามารถมีความสุขอยู่ได้ในโลกนี้แต่คนส่วนใหญ่นั้นจะไม่สามารถทําใจได้เพราะต้องการให้สิ่งที่ตนเองรักนั้นอยู่กับตนเองไปตลอดเวลาแต่ความจริงของโลกนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น นั้นคนที่ฉลาดจริงแล้วเมื่อได้พิจารณาด้วยปัญญาว่าที่เห็นว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาจะต้องมีการให้ความทุกข์กับเราบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็สู้อย่าไปมีเสียเลยไม่ดีกว่านี่นี่คือปัญญาถ้าใครเห็นแล้วว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนอื่น อยู่แบบคนที่ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองดีกว่าคนที่มีสมบัติเข้าของเงินทองคนนั่นแหละถือว่าเป็นคนมีปัญญาถือว่าเป็นคนฉลาดเพราะเมื่อเขาสามารถอยู่แบบเรียบง่ายไม่มีสมบัติอะไรได้เขาก็ไม่ต้องมีความกังวลมีความหุ่ดหยิกับสมบัติต่างๆไม่ต้องกังวลกับบุคคลต่างๆเขาก็มีแต่ความสบายใจนี่ นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติและได้นำมาสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าก็ทรงมีสมบัติปัดเข้าของเองินทองมากมายมากกับพวกเราเองต้องหลายเท่าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสมบัติเหล่านั้นทรงเห็นความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในสมบัติเหล่านั้นท่านจึงท่านจึงละสมบัติเหล่านั้นและออกมาอยู่แบบเรียบเรียบง่ายๆ อยู่แบบตามมีตามเกิดขอให้มีปัจจัยสี่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้ก็พอแล้วแต่เวลาส่วนใหญ่ท่านจะนํามาใช้กับการควบคุมดูแลรักษาใจให้ใจสงบให้ใจเยน็นเพราะโดยปกติแล้วถ้าใจยังไม่ได้รับการดูแลรักษาใจจะไม่สงบโดยลาพังของของตัวัวเองเพราะในใจจะมีตัวคอยก่อกวนสร้างความ ความวุ่นวายใจให้อยู่เสมอเราเรียกว่ากิเลสปัญหาทั้งหลาย <c oughs> คือความโลภความอยากความโกรธความหลงทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะต้องกําจัดด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากได้ไปอยากมีนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราแต่จะเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราเราก็จะสามารถหยุด ความอยากความโลภนั่นได้เราจึงต้องเจริญปัญญาอยู่เสมอพยายามเตือนตัวเราอยู่เสมอว่าอย่าไปหวังหาความสุขจากอะไรในโลกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆเขาไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้สิ่งเดียวที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราได้ก็คือความสงบของใจ ใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อเราลดเราละเราตัดความโลภความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจเท่านั้น <c oughs> เมื่อเราทำได้แล้วเราจะไม่มีความรู้สึกหิวกระหายกับอะไรเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวก็ตามแต่เราจะไม่อิจฉาคนที่มีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายไ ก, ก่กองคนที่มีบริษัทมีบริวารมากมายเพียงไรก็ตาม เพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่าเขาไม่มีความสุขเรบเขามีความสุขก็เพียงเพียงนิดเล็กๆน้อยๆบางครัง้งบางเวลาเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีแต่ความทุกข์ลุมเล้าเขาอยู่ตลอดเวลาจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เท่านั้นเองเวลาที่เขาจะต้อง พ, พะะัดพลาดจาก สมบัติของเขาต้องพัดพลา ด, ดจากบอยสับบริวารของเวลานั้นแหละจะเป็นเวลาที่เขามีความทุกข์อย่างมากแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยเวลาที่ต้องพลาดพลากจากสิ่งต่างๆก็จะไม่มีความรู้สึกเศร้าสศกเสียใจเลยเพราะไม่มีอะไรที่ตนเองไปหลงยึด